ะระดับนี้ท่านหลายได้สมาทานแล้วต่อ น, นี้ไปก็ยังของนำมาปกินกิกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติจกรรมฐ า, านที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านลังหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าจะคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆเราสนใจกันจริงเ <c oughs> โายพ่อใหญ่ยิง่งถ้ากรรมฐ า, านสี่สิบก็ดี มหาปฏิปทานนสูยก็นีแต่สอแราการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมลูมรควันรูผลนท่านเียนกันไม่จบถ <c oughs> ้านยียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เร้ ว, ว่าสมของเราเฉพาะกรรมฐานสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทาแนาส่สตรก็หลายรอบนี่ว่ากันเป็นรอบๆหรอือ ว, ว่าบางทียิงมากรอบจิตก็ยังเสืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้เต่ ว, ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็มันได้ท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เปราะนั้นว่าเรื่องการประพฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมไม่ได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโรตถาข้าตาตถาค ต, ตเป็ น, นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง แล้วพระเดเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นเบสโสดาสิธาคานาคารหันได้ <c oughs> แต่ความจริงคุณธรรมที่จะทำไม่เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่ยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แต่ก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจําได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องเบกินา ก, กะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่จะพรอมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาแลาเบสารีบทผมก็เอาธรรมะที่พมโมกขลาแลาเบสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคดีพระโมกกันนายคนดีฟังทำรรโดยย่อว่าทำรรเราใดมีเหตุเป็นดาเกิดพระตาทาคดตรัสเหตุแต่งทำเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแต่งทมเหล่านั้นพ ร, รมนนะมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำเราใดมีเหตุเป็นใดเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลว่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกไปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าแต่ <c oughs> <c oughs> คนนี่เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนพู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตนาไวยาภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเ ป, นเปตรตแปลศรัทายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีคันห้ายอย่างฉลาดการไม่มีคันห้ายอย่างโอใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีคันหา้าก็ต้องไม่มีคันห้ายอย่างคนฉลาด <c ười> <c oughs> เมื่อท่นานฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าศัพ์อย่างนี้ไม่เคยมีใครเคพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าเดิมได้อของอกุศลอกุศลไม่แปลว่าไม่เฉลา่ยก็คือโง่ไม่หมายความว่าตายไปแล้วคันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจเขาเราน้อมนำจับอยู่ในได้ขาองอกุศลเป็นสำคัญเธออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรตไม่เคารพในจรณะสิบาประการนี่เป็นอกุศล จรณะท่างสิบห้ารายการเนี่ยถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโอกหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้จะมาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจรณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่อง นั่นหมายเท่าว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเป็ น, นั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าไอคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรรณะสิบห้าคือความประพฤติที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ <c oughs> เราต้องประพฤติในความดีให้ครบ ทุ่นยิงจัดว่าเป็นคนฉลาดเน้นมาสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนักถือในจรณาสิบห้าไม่ประพฤติข้อนทั้งสิบห้าข้อให้คเขาทนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตย์มาในกายคือตายไม่มีขันห้า <c oughs> อาทิศมานกายของท่านโบนันก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตแป็สุรกายแสนจะลำบากนั่นคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นขุศลเพื่อฉลาดได้แก่เทวดาพรหมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขก้องใช้ความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาทิ้งคำสอนก็ออสมเด็จพระพูทมีพระภายเจ้า <c oughs> ที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกัลาและภาษารีุ่ตร <c oughs> ว่าทาใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าสมตรัสเหตุของธรรมนั้นแล้วความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่าง น, นี้แล้วก็มนานั่งดูอารยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจึงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้า เราก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง <c oughs> ทำไ ม, มเราจะมีขันหา้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันหา้าจึงมีความทุกข์ ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีกันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลสเรามีจิตที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทยานในลาบยศสนเสริญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนเสริญสุขเป็นชนะที่พึ่งของเรา มันจะอยู่กับเราตลอดกาดลตลอดสมัยเรากับมันไม่เจอ ก, กันอากูศุลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสนสนสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมันได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้ก็กินเล็ สองความอยากในโลกธรรม ท, ทั้งแปดประการที่พวกเรามันสี่เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวต้งเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสันเสริญ ส, สุขอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสนเสริญ ส, สุขว่าเป็นชนะที่ถูก จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดกาลตลอดสมัยอกุศลคำว่าอากุศลเพราะความไม่เฉลิลาจรเขามายึดมั่นในเหตุนั้นนีละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกได้ลาบได้ยดได้สเสริญได้สุขที่เป็นกามาคุณเมา เพราะเราไม่ละเหตุเจ้าสประการนี้เราจรึงต้องมีขันห้าเกิดต้องเกิดถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่เกิดขันห้า <c oughs> ตัดมันเสียเขาคนนี้เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดี หรือว่าพระอรหันตข้านิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกข์ที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่รามันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวัาสนามบรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอราหันต์ข้านิพาน <c oughs> นี่เรามา น, นั่งดูคนตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปาทานอนกุศลกรรมฟังยากฟังกันไหมว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติติดอยู่ในสนเสริญติดอยู่ในสุข ลาบก็หนั่งของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายแล้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูอีกแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบ ก, ส, แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช่ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจะไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นรุบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตยมาในกายที่เราเรียกสมาจิตเห็นแล้วหรือยังว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบมปลว่งสิ่งที่ได้มา ร่างกายเราได้มาจากการเกิดก็กิเลสหนาวป่าทานช่วยสร้างให้ <c oughs> เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงรวนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดไปเป็นทุกข์ ี่ถ้าเราจะเรื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดแต่ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมข็โทษดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน <c oughs> ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สับว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นและเหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แต่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตันหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดต้นหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามักมักคปฏิบัติรรมักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตันหาคนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไหรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสง่ายเท่าไหรท่านก็ไม่เข้าใจ อนท่านอุมาสกอุมาศิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบอารุณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวชีมหานรกเขาทำกันยังไงมักก็ปฏิิทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแลว้ว องเห็นว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าอง์ก็ว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์และห้ามีจิตรักพุทธิพันธ์เป็นอารมณ์ เท่านี้ทำกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดทุนทางแก่หมดทุนทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มาก จะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดหรอพูดกันตรงๆพูดอ้อมไปอ้อมมา ก, ก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพลอยสจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วด้วอย่างเราใช้ปัญญาไขขวนพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จตัศมาศพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วด้วอย่าง เรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยังนั่งวัดใจของเราดูดาวสิง์ของเราบริสุทธิ์จริงจริงหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอมากเกาเท่านี้ทำได้แล้วหรือย่าง อารมณ์ใจเขานั่าท่านรักพนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือย่างอย่าถือเหตุภายนอกเขาถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกในห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> ข่าวความวุ่นในกิจการงานความที่ธุรกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา งานมันเลยเท่าไรเราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสื่อเกิดมาทำไมถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสื่อเกิดมาทำไมถ้าเรามาเสื่อเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เม่ยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน อย่าให้มันอย่าทมจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทตัวเองเรว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชาระนี่สนที่เป็นอกุศลและการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนันว่าอันดับต้นความเป็นพระสงนายกบศกิจาคารก็ได้แต่มีตรนาคมพบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักผนิพพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวะคัหน้าแต่ันห้าแลวถ้ารมทรงได้อย่างนี้ก็ใช้การยกตานุสติกาสุปก ร, รมฐานควบคุมกำลังใจ ว่าร่างกายของคนแลสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนแลสัตว์แปนี้จังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไปฝันในร่างกายของคนรลสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดเป็นเป็นของดีไม่ได้ความโง่ในเรื่องอะไรตัดําลังใจอารมณ์เหงาอารมณ์ทิ้งไปเสียหมดเอาจิตเข้ายอมรับนับถือใความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองแนละเขามีสุขแล้วมีทุกข์้วคู่ครองของคนแต่และคนนะสะอาดและสงปลง ให้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เรา บ, บูชาว่าสวยสดรดงามะะสะอาดและสกปรกเขาไม่ธิบายบเาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลงนรกตามอธัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยายามบัตรว่าการโกรธกรันคือการโกรธพยายามบัตรจ้องล้างจ้องผานคิดประทุษร้ายคนอื่นน่ะมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอกไนมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกเราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังและก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเรา ทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมืเขาอยากจะเลวก็วเปล่าเขาเลวไปแต่คนเดียวการโกรธการพฏิวาตการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นทุกข์เป็นความรา้าร้อนเราไม่ต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สรพช่างมัน ใครจะได้ก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรงเสริญก็ช่างมันไม่รับให้ทั้งหมดตามจิตกาหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริมมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุเปกขายาน ถ้าทรงอารมณ์ดังสองรายการเบื้องหลังนี้ได้ฉันเรียกว่าพระอนาคา ม, มีนี่มันยากไปไหมเนี่ยเ้าบอกว่ายากก็เพราะคิดไป ท, ทุกวันสิตั้งอารมณ์ไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมันไม่ยากไปบาอะไรเมื่อเป็นอนาคา ม, มีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เรียออรหัตผล อาณแตัตผลนี่ก็เป็นของไม่อยากก็ตัดชัน้นธากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายเขาบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชามันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นชนะเป็นที่เพ่งของเรา แล้วก็เราก็ไม่ถือวาทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคคลอื่นเราทำใจช่อมชื่ออย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตัณหาป่าทันเมื่อพังมอไรพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีทันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรมจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปณิธานนี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากแต่พูดกันแบบง่ายๆแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นาบากมันก็สําเร็จมากสำเร็จผลแต่เวลาสําหรับที่จะแนะนํากันมันก็หมดแล้ว แค่คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดจำเพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงดำลองจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถเท่าสี่เวรการจะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้พิจรารณาหระภาวนาไปตามอัิยาสายยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั่นสงสมควรสอด